ได้เห็นนาฬิกาเชจะจะทำทั้งสีนี่แล้วคนนั่นแหละเป็นพระถ้ายังไม่เห็นนาฬยกาเชจทำนี่แล้วแต่รู้เท่าไดก็ตามยังทันไม่ชัดในความรู้ถ้าพอได้เห็นนาฬิกสัตนี่แล้วค น, นเห็นทำอยู่ไม่ได้ในโลกอนนี้จะอยู่เอาอะไรล่ะมันไม่มีอะไรได้สักอย่าง คิดโด้เนี่ยความเกิดเนี่ยฮัดความแก่เป็นทุกข์ทางหวังตุ้เนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นในคันของมัรดาก็าเป็นทุกข์คืออธิบายฟังแล้วมันเขินแน่เนี่ยนี่เมื่อเทาแก่สลาคําค้าความสมุดชุดชนลงไปก็ทุกข์อีกแหละกลองหนึ่ง เขาเป็นสองล่ะ น, นี่เมื่อเกิดพยาธิความเจ็บไข้จะพย า, า, าพาดโลคา่ากองทุกนี่ยิ่งก็ไปที่ ส, สามเมื่อ น, นักเข้าไปถึงมรละนะักกรรมถึงแก่กรรมคือคนตายทุกถึงตายอยู่ไม่ได้ในโลกอันนี้คนทั้งหลายแล้วไม่ได้ทิสเจรนา ค้นคว้าค้นควายจะออกในทุกันนี้มีจะมุนเข้าหาทุกหาหยดหาศักดิ์หาศาักดิห์หาสมบัติหาที่ซึ่งหาเสียไซส่างโน่นต่างนี้เ น, นี่ยส่างตึต่างลานส่างบ้านส่างตอง้องอืเนี่ทำนี้เข้าหาทุกพระพุทธเจ้าท่านไม่จากท่านละท่านสละเพราะท่านเห็นแล้ว มันแสนทุกข์หาประมาณม่ได้ทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดท่านไม่ได้ว่าทุกข์ทุกข์ไม่มีอัถาบรรดาศักด์หรืทุกข์ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอ่ า, าหรือทุกข์ไม่มีสับสมบัตินั่นเหล่านี้ท่านไมไ่ว่าทุกข์ที่ทางโคเป็นนาทิกรัขขงในกระจังพิฆเควดูวควานพิจุถ่ า, ายท่านทั้งหลายสัจจังของกินทุกข์กันเคลถิดใด อธิบายมาแล้วชาชีที่ลูกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราลูกขาความเท่าแก่เป็นทุกข์พยาธิลู่ขังความเจ็บไข้แต่พยาธเป็นทุกข์มรณะลูกขังความตายเป็นทุกข์นี่ละกองทุกข์นี่หลังเสียงเหล่านี้น่ะมันมีแล้วไปจําอยู่รูปทุกรูปทุกน้าไม่ว่าใครทั้งหมดจะมีอัตตามไม่มีอก็ตามจะดาจะดําจะขาว การใดก็ตามก้อนนี้เป็นอย่างนี้รูปนี่เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นแปลกไป ย, ย่างเอินเป็นไปเพื่อเกิดเป็นไปเพื่อแก่เป็นไปเพื่อเจ็บเป็นไปเพื่อตายนี่เป็นไปเพื่อทุกข์นี่ละ่ะเมื่อความมันเป็นขึ้นแล้วลมันปวดทีกะเข้ามาเนื้อปว ด, ด้ก็ตาม นี่ระธรรมันเือน ว, ว่าเป็นของเรามันเป็นของเราได้อย่างไงเข่งเล่งดูมันล่มเห็นแก่มาเป็นของของเรานีว่าพิชซ่าของเรา่าพีชซ่าของเราทําไมเป็นอย่างนั้นทาไมเราไม่บอกไม่บังคับบัญชาเมื่อเป็นแค่นี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปเพื่อพาด น, นี่โลกทั้งหลาย เกิดมาแล้วสำคัญเราไมา่มีโรคหมอเขาว่ามาโรค ม, มาจากนุ่งมาจากน่นจังนี้เป็นโรคมโนอนอันนี้อ่า่ใช่ในคำสอนท่านบอกไว้มันโรคประจําอยู่มัดที่มีในตัวงเหล่าเนี้ยอทุกขุมขนอะเหตุันได้ว่างั้นล่ะจัคู่โลโค ตาโรคในตาตาก็มีโรคโถตาโรคคหูก็เป็นโรคโรคในหูขานะโรคคโรคในจมูกจมูกก็เป็นโรคคี้วหาโรคคโรคในลิ้นลิ้นก็เป็นโรคสายาโรคคโรคในสายกายก็มีโรคมะนโรคคโรคในหัวใจ หัวใจจะเป็นลอกหนึ่งเจ็บหัวใจแน่นใจหัวใจโตเลยหัวใจอะไรเนี้ยหัวใจลวกอีกโดแทอ่ะหัดถ้าโลโคฮะลอกในมือมือก็เป็นลอกปาทะโลโคลงในเท้ า, าถูกนั้นถูกนี่มืัอนี่ก็นในมือมือฟ อ, อ, อกงอนมอีจะไปทำไหนไป อ, ปออกปอกนั่นตั๊บปาเจ้าของ เล็ด ไ, ไหล่น่ะเห็นไหมน่ะเห็นโรคไหมเห็นไหมนีม่ถือเจ้าของนั้นละตาทะอันนี่โลก โ, โลกลงในเท้าเยสาโลกโลกลงในผมเดยผมมันจะลุดจะลงมคันไม่ใช่ลรอน่ะน้าขาโลกโลกใ้ใแรบแรบก็มีโรค ทันตาโลโคลงในฟันฟันก็มีโรคอะไรอยันฟดนบกฟันรอนแมลงกินนะมีโรคนั่นตาจอโลโคลงในผิวหนังหนังก็มีโรคที่ไหนมีโรคมังสังโลโคลงในเนื้อเนื้อก็เป็นโรคเก็บกล้าเนื้อขัดตรงนอนปวดตรงนี้หัรุโลโคลงในเช้นเช่นมันก็เป็นโรคใช่ไ ว่ามีตัวโรคเมื่อหาที่โลโคโลในกระดูมี่สียงสั่งโลโคโรคในเยื่อ ก, กระดูก น, นี่แหละที่เจรนาโดยแค่มันมีตัโรคเมื่อใตัวของเราจะหาที่นี้ไ ม, ม่มีโรคในมีแต่มันมาทันระบาดขึ้นมาแต่มันมแต่มันมีโรคอยู่แล้วประจําอยู่แล้วทุกเซนขนอืมเนี่ย เหตุนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นเชื้อโรคเป็นตัวโรคอยู่แล้วอันนี้เรามาอยู่ในโลกออยู่ในโลกก็เนี่ยแหล ะ, ะเหตุนั้นเป็นพระพุทธเจ้าสอนจะออกของโลกนี้ฉันวางทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาวางศาสตนะร้ยให้เราทาั้งหลายมาพิจารณามันโล้มันเห็นทำทำทำธรรมทัจธรรมของจริงนี่เมื่อเราจะจะทัศธรรมของจริงสี่อย่างนี่แล้ว เราจะไม่หลงในรอกเราจะหนีในลอกน่าสั้งเวชรถใจเมื่อพิจารณาแล้ว อ, อถ้าเอาตรงไหนไม่มีที่ได้พอเราได้นั่นได้นี้ไม่มีอะไรสั้งอยา่างีเรื่องไป น, นั่นไ อ, อ้นั่นพระเจ้าสอนสินสมาธิปัญญานี้เ อ, อเมื่อรักษาสินแล้วนี่คือเรา ม, มีภยัยไม่มีเวร เป็นผู้ส่งรมกายวาจาใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีแล้วเมื่อโทษน้อยใหญ่มีภัยไม่มีเวรไม่มีแล้วนั่นเราก็จะพ้นจากทุกจากภัยแต่นี้ใจของเรามันไม่มีศีลมันเคยเกิดเป็นโลกเป็นภัยแสดงให้เรารู้อยู่เที่ยวทุดเตินเราอยู่เสมอนั่งไปนานๆก็เติน อยืนไป น, นานๆก็เตือนเดินนานๆก็ะเตือนนอนนานๆก็เตือนทุกกริยาบทฮะคิ ด, ดเดียแท้เดินวันนี้ทุกทุกทุกทุกทุกอยู่กับเราก็ไม่ฟังอกองทุกี่ก็ไม่ฟังนั่งไปนอนปวดตรงนูน้นตรงนี้พลิกไปพับเทียนเลื่อยไปพัดไปกระไรนานไปนานมันก็หมดเป็นอย่างงั้น นอนไปนานกระทุกหลยแหละจะว่างไงละ่ะใครจะนอนแบบสลอดวันนอนฤกษ์นอนในตลอดคืนนั่นมันทุกนอนแบบนมอยนอนได้แบบพลิบ ไ, นน ไ, นน ไ, ไปข้างนอนก็พลิบไปข้างนี้อมันทุกข์ทั้งวันจะว่างไ้เดินไปนานๆคำว่าเหนื่อยทุกเลยะนี่ยืนยืนไปได้นานคำว่านอนเหนื่อยว่าทุกเลยะจะว่างไงละ่ะ มันมีแต่ทุกข์ทั้งหมดแต่ามากองทุกข์มันไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่ทุกข์น้ำวัตถุทั้งหลายต่างๆมีถ้าตัวของเราในตัวทุกข์น้อยใหญ่เท่าไรถตัวของเราเนี่ยความซอกยาววานาคือตอนนี้กองทุกข์ทั้งหลายาไม่มากไม่น้อยตอนนี้ละ่ะ เ, เบื้องบนเพลงซีซ่าเราเบื้องต่ำตั้งจะลงไปเพลงพื้นเท้า มีเท่านี้กวา่างทางหลังชุดทางหลังทางซ้ายชุดแขนซ้ายทางขวาชุดแขนขวาทางหน้าชุดหน้า อ, อกพัททนิกลิมณฑลทนของทุกทางหลายนี่ฉันในวางทำมีินัยไว้ตรงนี้ยศาสนาก็ะทำวางไว้ตรงนี้มลลัดขนก็วางไว้นีมัดนรกก็วางไว้นีมอดอัดเราจะได้มาเลือกเฟนคือนั่งสมาธิภาวนา มาพิจารณาแก้ไขสมาธิคือทําใจให้ตั้งมั่นคือมันตั้งมั่นตั้งเที่ยงตั้งกองแล้วอืมันไม่วันไหวอ่าในโลกกระทำทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้มันไม่ได้แปรผันอยากย้ายไปโน้นไปนี้อย่างของเที่ยงคือปณิพานเที่ยงมันพูดถึงปณิพ า, านท์ถ้ไม่ได้พานธ์กไม่ได้ว่าอยู่ตรงฟ้าอากาศ เธอตั้งใจมัน่นสมาธิอันเนี้ยปัญญาความหลบรู้ในกองสังขารสังขารความปรุงความแต่งใครเป็นผู้ไปปรุงไปก่อพบก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยทั้งหลายใครมันผู้ป่ายล่างเราเปนผู้ไปก่อเองนี่แหละปัญญาให้หลบรู้ในกองสังขารจึงเรียกว่าปัญญาอันนี้เราไปเราหลงในสังขาร เกิดวุ่นวายเดือดร้อนน่เป็นทุกข์ไปขอพบ่อชาติกอกรรมกอเวรก่อภัยอนาต่างๆไปนี่เมื่อเราลด้ินล้วโอปิายนนกการทำน้อมเข้ามาแล้วเราอยากได้ไหมความตายเนี่ยมีใครอยากจะคน้นไม่มีหรอกอ่ามันจะเป็นเลยเป็นนอนเป็นนี่จะได้มีอ๋อมียกปยะบำลงมัน มันมันก็แม่ของพยามานเดี๋ยวขัน ธ, ม า, นม า, น า, ธามานกิเลสมานอาภิสังขารมานมจุมานมันทั้งหลายหมดทีเนี้ยทางบํารุงมันกลับมาอยู่ตามในบังคับปัญชาของไขรทั้งหมดแลอย่างนี้เห็นนั่นจา่ายพากันพิจรารณามันลูเลือกแฟนจิงตายนีแล้วจิงเกิดมีแล้วหาไข่ผู้เกิด เมื่อเราค้นพอและครบแล้วเราผู้เกิดเราไม่เกิดแล้วล่ะมันจะมาที่ไหนล่ะเมื่อเราไม่เกิดแล้วความแก้มันจะมาที่ไหนล่ะความแก้มีแล้วความเจ็บไข่มันจะมาที่ไหนล่ะความเจ็บไข่แต่พรญาติไม่มีแล้วความตายมันจะมาที่ไหนล่ะความตายไม่มีแล้วความทุกข์มันจะมาที่ไหนล่ะอะเราจะนั่งสมาธิมันเที่ยงอย่างเดียวนี้ลนะ่ะมันไม่เสียง เกิดแล้วกับแกแกแล้วกับเจ็บเจ็บแล้วกับตายตา ย, ตายแล้วก็ทุกข์โยเวียนวนอยู่เนี่ยนีก็ตาสงสารนี่มาแล้วจะทีจะติีทรัพย์ทีการนันทชาติมาแล้วทีครบกี่ชาติมาไปห่วงอัน น, อนูห่วงอันนี้เคยคนยิงอ่ะรับอะไรอ่ะนะตัวเกิดมาคนเดียวไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นนู้นเป็นนี่เฮ้ยเราไปผูกไปพันอเ้ า, เ า, ต, าตายตายหนีไปเลยจะหนี้ ว่าอะไรไปข้องอะไรคาอะไรจะไปหลงอะไรเด็ดเดียวก็ไปเกิดคนเดียวตายคนเดียวตายสิฉะนั้นนะใครจะตายนำ้ำเกิดใครจะเกิดน้าแน่ตายสัง่งหัวบําเพ็ญคุณงามความดีดีกว่าตายของทุกนี่ก็าตายในห่วงเราตายหน่อห่วงอะดีห้าทำดีบำเพ็ญคุณงามความดีนี่จะไปถูกไปพัน เป็นกับกิจของเราเราก็ะุงว่านั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราเออโด่งเมอเงินายที่ทานก็เป็นของเราเงินคำขอของก็เป็นของเราฝากปอนคนจะไปเป็นของเราือร้านคาเป็นของเราลูกร้านของเราเราเท่านั้นแหละเอยับขก่ตาของเราหูของเราจมของเราของเราคาขงเราใจ้เราไม่ใช่เอ้ยบนูเอามจเป็นของเราไงเล่าเพงไได้ อตัวของเราก็ยังเอาไว้ไม่ได้นะ่เป็นข้องเราตานี่ยามันมัวไหมล่ะหูยังมันตึงไหมล่ะจะโมก็เนี้ยสังขารร่างกายยัามันเจ็บมันปวดไหมล่ะนียมันร้อนเย็นไหมล่ะอ่ามันข้องเราอยู่สบายไป็นไงล่ะไม่ใช่นี่เออที่เจอนายจะไปหลงลูกนี้เ่ขันรูกนี้ลูกพยามารขันธามานขันดำมานก็ไม่เชื่อน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันท์ารรมาลูกันนั่งอยู่นี่หละเวทนากบบมันความสวยสุขสวยทุกขน์นั่นแหละนี่ยสัญญาความจําความหมายละ่ะสังขารความพุงความแตง่งวิญญาณความรู้เนะ่ะซึ่งอันนี้เป็นมารบอกนานไม่ได้มาถุกฝ้ า, ากาัดในป่านในดงในบ้านในเมืองเขาโกลัวจะมาร์กล้ายมาร์ไม่ทีไหนมี อนี่จะเขาว่ามานต่อมาเราไปเห็นเขาว่ามานมานันเป็นตัวยังไงละ่ะคือคนนี่แหละผู้ไั้นท่อมนี่ใหญ่ก็แล้วก็ผู้นั้นมันแล้วว่ามันออกมาเป็นคนเนะมันยังไงละ่ะเห็นหมลหมตอนนี้กองปุ้งๆกันของคนนั้นมนนะันแลนะมันออกมาแล้วมันคนไม่ใช่หรอนะคนนี่แล้วเป็นมานเออนี่ยขันธ์ธามานันเนี่ยขันธ์นามานกับรู ป, ปรขันธ์นี่แ ของลูกของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเป็นมานแล้วพิเจราราจะไปหลงมันแ่หลงมารแค่ลูกนในองสงเว็กคาถาธรรมเาตาลูกปั้นิจันทร์เป็นลูกม่เทียงพิจานณาแค่เวทานานิจาเวทานา็ไม่เทียง เ, เอาเข็มเอาแรงไงล่ะถ้าในเห็นไปอย่างนี้สัญญานิจารสัญญาความจำความหมายทำไมเทียงทั้งหมด สังฆร า, านีจาร์สังขารทั้งหลายความปรุงความแต่งก็ไม่เที่ยงนะเมื่อปิญญาหนังอันนี้จังวิญญาก็เทือนไม่ได้นึกกรเป็นอย่างหนึ่งกระเป็นอย่างนึ ง, เ ป, น ง, นงเป็นได้ทุกอย่างวิญญาห น, นัเนี้เราก็ต้องมาเลิกแฟนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าเป็นตัวไงล่ะลอบสองอีกรูปังนาตาทิ้งใดไม่เที่ยงทิ้งนั้นไม่ใช่ตัวเป็นนาตาสัญ เ, เวทน า, นาตา สัญญาณาตาสังขาราตาวิญญาณัตาไม่ใส่ตัวตนทั้งหมดนี่เราต้องเพ่งพิจารณาเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวตนทนํ า, ท ไ, ม ไ, าทไมเป็นไปเพื่อภาทําไมเป็นไปเพื่อเพลเพื่อภัยทําไมเป็นไปเพื่อความแก่ยังไผ่ความตาย น, านี่อ่านีาาา้มันมันใส่ตัวตนนั้นเนี่ากันแพ่งเร่งดูกเจ้ามาพิจารณาหมดนี้เจเราจะละสะกายที อวิๆๆๆๆๆจิตรวิจิตรศาความสงสัยเสกแพงในโลกในโลกนี้นนนน ม, มัเ น, น, นเป็นอย่างนี้เห็นจระประประมาฏไม่ต้องลุกคําว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าลูกว่าพวะว่าแม่ว่าอะไรว่าพี่ว่าน้องไม่ต้องลูกคำว่าจิ้นอยู่ตรงนั้นทำอย่าแม่้แล้วไม่ต้องลุกคำํำเห็นจิงแกงกประจักษ์ในตัวของเราเลยอือจะเห็นได้คือกันยิ่งเป็น น, น, น, ะ, น, ะ, นะปวดศีรษะเราเหนื่อยมันตากแดดร้อนเพื่อเอา เป็นงานเนี่ยออไม่ใส่ีแล้วเราก็ต้องเห็นจริงแก้งไปจักเชื่อไม่เชื่อเรมมาทำมักทำสอนปฏิจารเราจะลงหรือไม่ในรูกวานี้เราจะลงหรือไม่ในโลกกนี้แทงโดออนแค่ฮะแง้พวกกราพวกนี้มันเป็นตรงเป็นตอนเห็นมไหมละ่ะยังมีหลงอยู่ล่ะธออรรมะ ม, มันเตือนเรารู้วิมันรู้นี่สิ่งเห็ น, นอันนี้สิ่งวันดีก็เป็นลิขิตดวงเห็นมไหมละ่ะอ่าน ก็เราไงล่ะนี่มืดอ่ารมะกระยนี่เห็นล่ะกไปมากรนาี่เห็นไหล่ะมดนั่งนน้อยตอนงงมงแมกหยกมดต้องทุกมดีรโนู้เห็นเอาตอนนี้ไปจิงัมจิงนั่งดูมัแท้ขาวที่ฟังแล้วนอมเขามาพิจารณามันรมันเห็น ท a ่หมายฟังแล้วอ้าวบอการ น, นัก็ไปางอืมอ่านไทุกไทุกังดนีนดน้ไม่นานสักสินาทีนะลองดูเขาไ ด, มมด้มันอืมถึงไน้มเห็นมันแดงฟังมันแน่นอนลงไปจิ้มก็ไม่ิ้มุกตายจิยม้มอะไรมันตายนั่งก็พงวนาเคิจร น, นาแล้ว แต่ภาวนากับพิจนาเลือกเพื่อนดวงใจของเราสมาธิภาวนาบริกรรมภาวนาเคบริกรรมแล้วหเหล่านั้นนุปถ o ธรโมโสดังโคแล้วนับตานับปากกับเพ่งดูใจของเราดูกายขอยงเ ร, เรามีตัวนี้เกิดมามีกายกับกจิตทัวนี้อกายนี้ก็เมื่อปิญ ง, งานปราศ จ, จากแล้วนี่จะพัวงว่คริงคลังเหมือนกับถอนไม้ถอนฝืนไม่มีอะไรสักอยาก่าง นี่เป็นแก่นเป็นสารเดี๋ยนี้วิญญาณคามอมยองยองพูดจาปลาใสยไหนก็ได้ทํำไรก็ได้เมื่อวิญญาณปราบสัย่างแล้วเมื่อ่อนไม้ทําลายไม่ม จ, กจกักอย่างปากมืนกับปากกระทะ ห, หูเหมืนกับหูกระทะนั่นไม่มีอะไรสักอย่างอืมปากนั้นหูเลยมีคนไม่มีเฉยๆกระทะมีคนร้อยไป ม, มยังไป นี่เราคือกานละตากือมันตาไม่ไผ่งานมันใช้ได้ในสักอย่างแล้วก็แพ่งเร่งด้วยตาไม่มีอะไรวิญญาณปราะจากแล้วแขกขาเี่เมืองมันก็ไม่เปลนอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไฟเผาเฉยไม่คุ่ยไม่ค้างเลยเลยนั่นแหละวิญญาณไปจากนี้เรายังแพ่งวิญญาณของเราเนี่เราจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพบันใดเมื่อเราภาวนาพิจารณาแล้ว กราร ม, มาจอนขู่สนลูกปลาลูก ป, ปาลปปาจอนสามพับนี่กามาพบลูกประพบลูกประพับเอาแผงเด่นดูในพับไหนไางกามาพบับชักท่องเที่ยวใีเมืองต่างๆกามาพบับในพับนี่ยมันโดงอยู่ในกามาพับคือท่องเที่ยวในลูก ใ, ในเสียงในกลิน่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยแบง่งเป็นสองในใจและสมองแล้วก็ไปอบายภูมิ คิตของเราของสายไปสักการมาวิจารณ์สวรรค์แล้พิจารณาคืออธิบายมัได้เพราะเพราะนี่เกิดแกเจ็บตายเป็นทุกข์แล้มาเพ่งพิจารณาอยู่ในรูปทําไม่ท่งไปเห็นไกลเห็นในรูปเนี่ยเห็นรูปนี้โอ้ยเป็นแก่นเป็นสารไม่มีสาระอะไรทั้งอย่างมันกวางพอคิดวางจะรูปแล้วมันเหลือจะอารมณ์เหลือจะจิต ด, ดวงเดียวนั่งก็ไปสั้นพรม คือมันว่างหมดไม่มีอะไรนี่ต่อปานไปอย่างนี้พอเรื่องเล่านั้นเป็นไม่แขงแกรนเป็นส้ายไม่สลับไม่เที่ยงแล้วมันก็เลิกกันละเร่งเล่านั้นก็ไปพันิพานได้ไม่พบทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วนี่ล่ะความยึดถือมั่นของเราเราถืออะไรอยู่เดี๋ยวนี้มันต้องคํานึ่งถือดีหน่ะคอดแล้วก็นัดโดยจยเนี้นที่ของเรามันเป็นชุกมัเป็นทุกข์มันมืดแล้วมันสว่างให้ดูสิ่งที่มีอยู่นั้ แล้วนงเป็นั่เป็นกินทุกขณะที่เปนของตอนนตนี้ไม่มีใครสร้างให้ทาให้ เ, เกิดในตนเองต่อไปตางคนต่างฝั่งดูเคอม่มีเสียงแล้วก็ตามไม่มีเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วสัญญาไว้แล้วไม่ต้องเดือดร้อนางคนตางทำดูเถอะจะหลงไม่ได้น เหเห็นทุกยังอืมนี่คิมไม่ะอาได้นั่งไหมอ่าถ้าไม่กวัเรื่องอะไรล้ะมันก็ไม่เป็นไรอ่ะกวนเรื่องอะไรกูตายคนทั้งหลายไม่ใจ่อินดาเมันกตายเท่านั้นหละเออไม่กูตายมันนี่กูละ โกตายแล้วล่ะโกก็ะตายอย่าไปโกมันไม่โกก็ะต่ายความตายนี่มันประจําอยู่แล้วทุ่มชุ่นามมีก็ะตายไม่มีก็ะตายจนก็ะตายอ่างมีที่เจกก็ะตายมียัดก็ะตายไม่มียัดก็ะตายสุงมก็ะตายต่าก็ะต่ายดำก็ต่ายขาวก็ะตายอ่าตายวดอกอ่าไม่มีเหลือนั่งมีตายวัดเท่านั้น เนี่ยอะไรที่ไม่ตายละอ่าองเพี้ยนีมันตวตายหรอกจะไปกลัวมันตายนี่นะอืมความตายอืมเราลีบคนควายจิ้งจะติดตอนลำตัวราไว้อ่าสาขันเส้นที่เรนาที่พื้นของเราอย่าเอาอันนั้นอันนี้เป็นที่พื้นพื้นไม่ได้วัตถุทั้งหลายพื้นไม่ได้ เขาของเงินทองก็พึ่งไม่ได้เอาน้ําโปรชนางานก็พึ่งไม่ได้เนีสังขารร่างกายเราเนี่ก็พึ่งไม่ได้รึร้านสังขารก็พึ่งไม่ได้ชาวบ้านร้านตลาดก็พึ่งไม่ได้เพือกชาติก็พึ่งไม่ได้นี่อะไรเราพึ่งไม่ได้แล้วนะที่พึ่งของเราเราต้องยึดต่อคุณพระพุทธเจ้านี่คุณประทมคุณปรีชงเนี่ยเป็นตรานที่ขึ้นอันนี้พึ่งได้นอกนั้นเพึ่งไม่ได้ เดชกนัยยังว่างั้นในครรมคำสังสอนท่านเหยือตาวายในสัดชักอี่าคาถาบอกนัดที่เมธรณังยังที่ซึ่งของข้าพระเจ้าอื่นไม่นี้นาทีแปลว่า ม, มีทั้งหมดในสามโลกซึ่งไม่ได้ไในวาฏฏิโลกนี้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวรวมเข้ามาในตัวของเราก็เพึ่งไม่ได้ แต่ขาโอตาจมูกของเราล่านี้ก็เพึ่งไปไหนดวงใจของเราก็เพึ่งไปไหนไม่ได้จักอย่างเดียวจากนั้นพระพุทธเจ้าจะในวางศาสนาไว้เอาเป็นศารณะที่ขึ้นน้อมยึดกับพระพุทธเจ้าเป็นศารณะที่ขึ้นเป็นบรมโมโคเป็นศาสดาผู้ที่แจงแสดงวิถทางผู้นำออกจากทุกพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาขี่ขึ่งของเรา อันนี้พระธรรมคาสั่งสอนแปดหมืนสี่ันประธรรมขันธ์นี่เป็นที่พึ่งของเราอันนี้นี่ท้าเรยสงสาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้นําข้อปฏิบัตินี่ยเป็นที่พึ่งเรามีทัวนี้นอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นบุคลาทิา่ทานนีน้อมก็มาในธรรมาทิฐานแล้ว มันเป็นตัวของตัวเราพุทธะพุทธะจิตแพรผู้รู้ท้าแล้วมีความรู้เราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างจิตใจนาดูจิตพุทธะแล้วผู้รู้ถ้าเรารู้แล้วพึ่งได้บดหัวเราก็พึ่งได้แข้งขาหูตาจมูกก็พึ่งได้พ่อแม่พี่น้องก็พึ่งได้เข้าของเงินทองพึ่งได้ธุร้านธนาคารก็พึ่งได้ ตาบ้านร้านปลายก็จะเชิดชานกระพึงได้พึ่งได้อาศาัยความรู้เขามีความรู้เนี่ยละ่ะพากร็ระยิญมาฟังนะน้อมเมื่อไม่มีความรู้เราพึ่งอะไรได้มาเพึ่งไม่ได้สักอย่างนี่ละ่ะอุปมาเหมือนคนตายมันขาดความรู้แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เห็นไหมเราเคยเห็นเหมือนคนตายพิจารณาดูทีพึ่งอะไรได้สักอย่างสวมมันก็เพึ่งไม่ได้คนอื่นก็เพึ่งไม่ได้ อา่ามันมีขาดความรู้แล้วเหมือนกับถอนไม้โโยขอเราเป็นงานถ้าเรามีพุทธาแล้วเราพึ่งได้คือความรู้ยังมีโยมัพึ่งได้เนี่ยอันนี้ทำโมและทำเป็นที่พึ่งของเราเราได้ทําไว้พึงได้แล้วพึ่งได้ถ้เราไม่ได้ทําไว้ก็พึ่งไม่ได้อยากได้แตไม่ได้เราไม่ทมําไว้อ่าถ้าเราทําไว้แล้วอยาก อยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เราได้ทํำไปแล้วงานขางนั้นก็ได้เรเจะสอนไว้ถ้าเราไม่ได้ทําแล้วอยากได้ก็ไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ทําไว้คือเราเกิดมานี่ล้วใครเรียนมั่งมีคือสุกอยากรวยอยากงามอยางเงียบอามั่นนาจับจะเป็นเศรษฐีพ้าบรีทังนั้นแต่อยากุกอยากจนอยนะากขเพราะเราไม่ได้ทำไว้แล้มันจะได้ยังไง เราไม่ทราบวานทำไว้หลายปบหลายชาตมนะนี่อย่างนั้นท่านยังว่าใน ม, มงคลนะกาา่าหานะทนบอกไว้แล้วเกิดเป็นมนุษย์นี่ยเป็นมนุษย์สมควรแล้วนัรนะฉะนั้นบอกปฏิรูปประเทศสวัส์สจากพุกเลิกกตาสิตา่ตาก็จะมาปานิชจาเอตุมังขรมุตมะแล้วแล้วเกิดเป็นมนุษย์อันสูงอันใหญ่รืออันดี มีประเทศสมควรเราเกิดมานี่ก็ด้วยสายบุเพกตาปุญญตาบุเพนกษัตริย์มังก ร, กรปุญญาตาสมบูรณ์กุศลกะตั้งไนใจกระทาไปแล้วตอนนี้ที่จะได้ตั้งตนวิชชอบประกอบคิดในที่ดีเอตมังคารมุตตะมังจะไดเป็นมงคลอุดมนี่เราไม่ตั้งตนวิชชอบล่ะแล้วเรประกอบคิดใีที่ดีแล้วเราไม่กระทําไว้อ่ะมันจะได้ยังไงละ่ะมาวันนี้พากันในรุ่ ใหรู้สึกสำนึกกันลายออจริงทั้งหลายทั้งหมดเราสร้างมาเราทำมามันจึงได้เห็นเราไม่ได้สร้างมาเราไม่้ทำมาเลยไม่ได้เราก็พีเจณาอย่างนี้เราจะได้เป็นคนหมันคนขยันอย่างเป็นงานอืออันนี้การ ท, าที่เราเกิดมานี่มีปาหาริย์อยู่สามในนั่นแหละวนนนี้พาปัญหาจะไ่ยนดเยหย่ยยยอนนี่มีสาม ในเนี้ยในหนึ่งต้องการโคขะสมบัติวัตถุของของเงินทอง ม, ามาันมากพาปัญหาไม่ได้ยึดยอนนี่ทำไมไม่ได้สงความ ม, มุงมัดนตกบนาของเราพากันหาจะไม่หยอกไม่ยึดมมนได้อยู่นี่ตับ ห, หาสมบัตินั่นี่แในสองต้องการลุกเกิเคื่อนงางามมาอยูย่นน ย, ยืนนานไม่ม้โลกมีใครนี่ราคาตั น, นตันตันโต โอ้ไมยึดไม่ย้อนเนี่ยเนี่ยก็เหตด้ล่ะเนีไม่ได้ตามความไปสมของเราในสามลตามะต่อนการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อลูกเกิดมาแล้วกพากัน ไ, ไปเล่าไปเรียนพาทังทรงนอกตรงที่ไหนเพื่อจะได้ความรู้ความฉลาดเพื่อให้มีสติปัญญาทำไมไม่ได้สงความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะบางค น, นเมียก็เหตได้มันขาดปัจจัยของเราดิฉับไว้ อานนี้สองเกิดมามีทรัพย์สมบัติคือเด้ได้สร้างไว้วได้ทำบุญคือพระพุทธเจ้าเนว่าวืมีทานมีศีลมีภาวนานยมีเท่านี้ขอปฏิบัติผนทางจะออกจากทุกข์เือทานการให้เลือกการกระะเลือการบริจาคละไรทำบุญทากุศลทำคุณงามความดีไว้อันนี้จะติดตอนนำตวงเราไปทุกพรอบจุกท่กา เนี่ยข้าพันเช่นพิ่เจรณาดูแค่เนี่ยไม่ใช่เป็นของคนเดินที่เราให้ทานเราแน่นทั้งหลายทั้งหมดเป็นของของตอนไปในฟอกใจศาดใดท่านเป็นคนไม่ทุกไม่จนไ ม, ไม่อดไม่ยากน่ยโดยบุญวัดานสนาองค์พัดไปสร้างไว้เนี่ยเป็นอย่างา น, น, นั้นอันนี้สองการหลักะจะตั้งการลูกสวยลูกงามอันนี้สองการรักษาศีล รักษาจิตก็ม่รักษาอืน่นรักษากายรักษาวาจาใจขอยงเราให้เรียบร้อยแล้วแม้จะทําโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจหราแล้วคนเรียบร้อยไม่ทิ้คนทิ้การเกิดมากายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจยเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไ ม, ม่ีเกิดมาคนนั้นก็เป็นคนสวยคนงามไปในพ่อใดชาติใดก็าตามนี่ท่านวางไว้อย่างเนี้แต่คนทั้งหลายไม่ยรักษาหลอกศาตร์ศูน อ่านั e. in, right? ่นยากนักยากหนาคนจะรักษาตวงเราจากศาสตร์ศิไม่รักษาอื่นรักษาตัวงเราไม่ทาบาปทากรรมไม่ทําโทษจึงใดเป็นโทษจึงใดเป็นบาปจึงใดเป็นกรรมคนละอายหรือคนกลัวนั่งนั่นถ้าเราทําบาปทำกรรมแล้วกรรมนั้นเราเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นคนสวยเนี่ยเพราะกรรมนั่นมาประหัตประหารเราเราได้ทำไม่ แล้วกายของเราไม่รักษาหัวใจขงเราไม่รักษาใจของเราไม่รักษามันก็เลยไม่ใช่ของงามแท้เรารักษาแล้ว ก, ก็เป็นของงามนี่อันนีสองนี้ล่ะผู้ได้ตังการแล้วก็พากันรักษาเอาถุงเราในรักษาบุคคลเอ็นเนี่ยพาไนในส่วนลูกคนเข้าใจอันนี้สองการนี่ว่าเกิดมามีสติสัญญาเฉลียวฉลาดท่านสอนในภาวน า, า น, นี่ทอนัน กพระไหวพระแล้วก็ น, นั่งสมาธิภาวนาพุทโธตมโสังโผพุทธพุทโธเ ร, ททราเลือกเคลมมันกับปัญญามัเกิดขึ้นจากนั้นอันนี้สรงปัญนานแล้วไปในกบในธากใดธาตุบุญวัสนาเรามีในปัจจุบันนี่ยแต่กล้ามาแล้วแต่ก่อนสามก่อนมาเราทำปัจจุบันนี่ก็สมเด็จในปัจจุบันเนี่ะปัญญาแต่กล้ามันนั้นนะมีปัญญาใส่มีสองความภาวนาเนี่ย นี่ขอสําคัญอย่นั้นอยั ง, ยงไพากันในพึ่งลูงกคุณกระจายขอปฏิบัติต่อไปมี่าพากันจําไว้อันนี้สยงเราทํานี้ไมมทําห้บุคคลเ่นคือให้ทานนั้นี่ะเป็นของของตอนมันกัพระพุทธเจ้าใครแย่งชิงกันไม่ได้เมื่อเป็ยามาณจะมาทํารายท่านทันก็นืน้ถึงเอินในเนถึงทานนะักปรามีนึกถึงทานอะมาณนะกัเขาใกล้ไม่ได้เ่างั้นมมคนน้ซึยเขาใกล้ท่าน ไ, ไม่ได้ เองนั่งเย้ยขอาะตรงสละมาะแล้วพย่บาทอาค่ะจองเวนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตอนนี้สังโวยระวังเรียบร้อยแล้วตันนี้มีโทษน้อยใหญ่เป็นผู้บริสุทิแล้วทางกายทางวาจาใจทางท่านตอนนี้เจ้าพญ่ ม, มันนะเขาใกล้ไม่ได้ยก จ, จะมีจะันห น, น้าันกระบองจะฟันกระเป็นดอกโบววุ่าม้อนงตื่นออกไปเป็นดอกไม้นะ้นะ คนที่ซืปนญมนเนี่ยก็นําท่วงตายไปหดมดนี่เห็นไหมละ่ะเมีอำนาจคุญวัดฉน่างทัดนมื่เราทั้งหลายก็ทําบุญทํากุศลเนี่ยขับปเรีนรูสอนเรียนรู้ฟ้าวารีเป็นเพื่เอเลิกเมื่อไปฟุกคามเข้ามาเราจะนึกถึงบุญ<อ>ถึงกุศลจนึกถึงคุณงามความดีจะนถึงคุณงามความดีแล้วความเชื่อทั้งหลายมันก็หายไปเปรตประมาประใหม่เหมือนกับมันมืดเนี่ยเราจุดไฟก็ย่ามมืดก็หายไป เมื่ะนึกถึงคุณงามควเดีใจเลาไม่มีภัยใจเราไม่มีเวรแต่แล้วมนมีสัญญาบตรแต่แล้ไม่มีความเชื่อทั้งหลายทั้งหมดยแล้วกะมีความเบิกบานพุโทโธเป็นผู้นิ่งเงียบแต่งสายพุโทโธสว่างสวายล้ามีลายพาบรรทัศน์ใจเราเนีย่ยสวนนี้วางไงลากกระจายเนี่อธิบายฟังเถอะเนี่ยะต่อไปฟังคํามจะฟังเทมีเทดให้ฟังนะอ้าวตอนนี้เดีฟังธรรมว่า เน้อฟังคำเจากรนั่งย้ายๆขึ้น่าทางน้หน่อยทีไหนไปฟังได้ะประมาณโอเคประมาณ่งปทางไปได้นั่งไปยได้นั่งกแลมันนั่งได้นั่งโนก้าให้นั่งสบายนั่งตัดแคบก็ได้ขาขวา นั่งสบายขาขวาทับขาใต้เอานั่งปฏิบัติอย่างนี้นั่งสบายเอาขาขวาทับขาใต้นีมือขวาทับมือใต้เออเอองั้นเอามือขวาวางเนี่ับกันปกหม้อขมือชูกันนั่งสบายแหมนั่งเคนั่งนั่งสบายเอาขาขวาทับขาใต้เนี่ยนันส่ารเลยะออานั่งอยาให้ตสบายคือการนั่งสบายนั่งขาดสบายก็นั่งให้นั่งสบาย บิก่นบิดก่นนั่นน่ะไม่แล้วก็ได้ขาขาเดขาเดขาไว้รับไม่แล้วก็เดไว้เดไปก็น่าขึ้นเดมาเดมาจะดีเดอะไรก็ได้อ่านั่งสบายนั้นละหักขาเขาก็หักขาเราเงินูไว้อานั่งสบายนก็นั่งสบายวางขาวางขสบายอขวาทับมือใต้ ม, มื่อคว้าคับมือซ้ายไหม nehme? วางคับเนี่ยเออเอา้นสบายสบายวางข้าวางทางสบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสใสไรกึ่งแล้ววางดูดีสบายยังตัวของเรานั่งดูแทะมันสบายยังมันยังคับตรงไหนมันยังข้อตรงไหนมันยังขาตรงไหนลองดูแทะมือายเราสบายแล้วไปต่อไปอ้าว ให้ลึกกพุทถึงกพุติเจ้าอยู่ในใจนะ heart, ลึกถึงพระธรรมอยู่ในใจลึกถึงพาเรียสองสาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นในใจแล้วอันนี้เป็นลึกคำภาวนาไอ้ว่าอย่างนี้พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามคนแล้ว ให้รวมาเดียวเอาพุทโธพุทโธคเดียวหลับตางับปากซะับตาซะงับปากะให้ลึกพุทโธในใจให้ลึกก็เฉยปากก็ไม่ตีน้นกระดกระลึกก็เฉยเนี่ยให้ลกึกพุทโธอยู่ตรงไหนเราอยู่ในจิตของเราจิต็นผู้ใลึก ให้ตั้งสติไว้ที่ว่าพุทธโธพุทธโธอยู่นั่นหูก็ไปฟังที่ลึกพุทธโธอยู่นั่นตาแล้วก็แข่งดูที่ลึกพุทธโธมันเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าตัวของเราเนี่ยนะมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มันมีดีหลืมีชั่วอยากรู้จักอย่าเนีเ้คือบอกว่ามันนี้มันสวยล้างบาปมันมีวิธีจะล้าง น, นอกจากเรานั่งสมาธิเนี่ยมันดีเป็นไรจิตเราพุโทโธพุธโทโธจิตมีจิต ด, ดีจิตมีความเบิกบานจิตมีความสว่างสวยจิตผ่องใสมีความสุขความสบายเย็ยนอกเย็ยนใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดไม่ร้อนสบายเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยสบายเนี่ย คิดดอกนี้นําความสุขนําความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูที่เป็นยังงั้นไมตัวของเราเดี๋ยวนี้เราพากันจะอยากทำอยากรวยอยากชุกอยากสบายมันชุกมันสบายแล้วล่ะเขื่อที่ไมายฟังเลยไหมล่ะตางคนต่างเส้นดูเท่เนี่ยมันโลดเนี่ยคมันไม่ไมาไปอื่นความชั่วทั้งหลายนี่คิดเพือนะ่ออกุสนแปงไงคิดไม่ดีฟินว่าไม่ดี หลอยู่ที่ไหนล่ะน้องคิดเราไม่ดีอจิตทะเยอทยานน้นทยานนี่คิดวุ่นวายเด้อคิดไม่ดีทุกข์ยากคิดไม่ดีทุกข์ยากาเลอะร้นอนวุ่นวายมืดมนวุ่นวายพิจารณ า, าดูเคอะนักนงน่วงง่วงเงาหนงอนทุกข์ยากนี่ยคิดดวงนี้แหละนำกัดทางหลายตกทุกเดียกจะสงสัยอะไรล่ะพวกเราอ่ามันอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์อย่านี้ มันไม่ต้นไม้ภูเขาเรากอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนห น, นทางฟังดูจิตทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะอะไรมันทุกข์น ะ, ะเมื่อจิตเราทุกข์นั้นเราจะหาความทุกขที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีเราจะไปหาความดีที่ไหนล่ะจิตเจรณญนาดูแท่จะไปหาจนตายมันก็ไม่ดีดีเพราะต้นมันไม่ดีแล้วเปลี่ยประมาประไ ม, ม้เมื่อกับคนเน่าก้นหมังม่วงต้นไม่ดีจะลูกมาจากไหนล่ะ เนี่ยนี่ก็ตอนบุญตนกุศลตนคุณงามความดีคือคิดในเป็นต้นจังหวะบุญและบาปจึงใดใจของเราถึงก่อนอ่ถึงว่าเราจะมานี่สายใจเรามาถึงก่อนตัวของเราอยู่แต่บ้านใจมาคิดมาถึงแล้อ่าเหตุงานเหตุง้นเราต้องให้โลดบุญและบาปเสียงใดใจถึงก่อนมันสําเร็จะโดงใจอ่าเหตุงานถ้าเป็นพิจนาลูกแค่ อันดี้สมความเราต้องการไหมจะอะไรมาดีมาใจแล้วไม่ดีแล้วมาใจแล้วไม่มีแล้วจะอะไรมามีแล้วมาใจแล้วมีความสุขเจะความสุขมาจากไหนเ่าอะไรสุขไม่ใช่วัตถุของเงินทองสุขเขาน้ําโขชนาะสุขใจแล้วที่เป็นสุขทุกข์เพราะเหตุใจเราสงบมันไม่วุ่นไม่วายอืเนี่เจรณาดูแจ็ตต่อไปทางคนทางแผ่นเล่นดูแจ็ เันหลอกเป็นภัยไมออกหัวใจอยากโตดูมันโตอะไรไเช่นเร่งดูแต่เราเป็นึกเกาตัวมันกระตัวจะเป็นนึกนึ่งไปนู่นไปเน่แท้มีเสียงอะไรก็าตามใครรู้เสียงนั่นไม่มีอนตรายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเาก็วางใจมันสบายสบายเล ย, ยอยากชุบอยากสมัยบุญนันใดใ้เล่าทาบุญกุศลเท่าทลายทานร้อยขนพันหนกับพระอานิสงสิตาวร่างสมาธิภาวนาเนี่ย ในเท่านี้สองนั่งนั่งสมาธิภาวนานี่เห็นไหมลายพากันแข่งเรียนโดดเราทํานี้ปฏิปฏิบูชาดูเห็นตัวบุญตับาปแท้ตัวบุญคือเป็นยังไงโตบุญคือใจเราดีอตัวบาปคือใจเราไม่ดีอื่เป็นอย่างนี้ตัวบาปเป็นตัวมันทุกข์อนั้นแหละมันทุกข์อยู่ตรงไหนล่ะณล็อกก็ตรงนั่นแหละไม่ยถึงพื้นดินฟ้ากลาง บุญแปยงไงคือใจดีใจมีความสุขความสุขตรงไั้นแหละนั่นแหล ะ, ละสวรรค์อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่เอื้อนทากันเพ่นจิจเรณาดูแท่นำท ำ, ำแล้วก็นำไปเมื่อใจเราเป็นสุขทำแล้วก็นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจเราไม่ดีมันก็นำสิ่งไม่ดีมาให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจทุกข์แล้วก็นำไปสิ่งที่ทุกข์มาให้แต่สกุลเห็นไปสิ่งที่ทุกข์ เมื่อเป็นเชนีล่ลายพากันแข่งเดึงดูติใครเป็นด่านนีไ่ไม่ใช่เทบุตเทวดาสร้างให้ไปประพรมทำให้เราทำโเอินเกิดสมมาเอินน้ำไม่ตั้งเป็นยังไงมันตั้งเป็นยังไงอุตมาภายนอกเหมือนกันกบตุ่มน้ามันความเป็นแขงลงไปหรือ่าน ฝนจะตกลงมาจะพรวายมันก็ไม่มีนะ้ำเนี่ยามันตั้งมันตกมาพรวายประโยชนี่ภายนอกอันนี้ละสันดายใจของเราภาาใจไม่ตั้งมันเอีย ง, ยงไปโน่นไปนี่มันไม่ละคํานึงคิดถึงตัวของเราท ะ, ะเลแม่โลธรรมคําสั่งสอนโธเทส่าโธเทสาสั่งสอนไว วางศาสนาไว้ท่านเมวางได้เห็นเอินเมื่อวางไว้จนไม่กูเขาเราก็ในพุทธศราลงธรรมในโบสถ์นิหารตัวมีใบลานกระดาษใบลานนี่ท่านวางศาสนาไว้ในบาลีท่านยังบอกไว้ว่าในวัดปปาร์ตมมกสมุทปปา ป, าปะกะระนังกุเชรสุไปสัมปันดา ใจตาประโยช น, น์ปัณณคือต่างพุทธศาสนาแปลใจความว่าชาสนาน่ะมันอยู่กับตัวของัวเราแปลว่าขณะละความทั่วทางกายทางวาจาดวงใจนี่ขณะละความชั่วความชั่วไม่ยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่วาจาดวงใจของเรานี่ยขณะละ กินได้ชั่วเาศาสนาคือคําสสอนงนั้เราทั้งหลายก็ไม่อยได้ความชั่วอยากได้แต่คุณงามความดีนี่ท่านครูสารสุขไปสัมปดาทันในเชิญคุณงามความดีทางกายทางวาจาดวงใจเปนอย่างนั้นจึงใดดีท่านให้เจริญให้ทําขึ้นให้เกิดให้มีเป็นขึ้นทางกายทางใจของเรา นี่าศาสนาเป็นอย่างนี้ราธิตาปโโยตัณ น, นังทำใจผ่องใสเมื่อผู้ไดทํใไป่องใสมันใสคือความสงบเมื่อเรามีความสงบภายในแล้วน่นะมันก็ใสเมื่อาาศาสนา ทำมว่าอึนไปมือสะอานาวางในตัวของพวกเราเี่ท่านทรงทำทรงมืนท่านก็วางในตัวของพวกเราแต่งนานคิดโดแล้วว่าท่านวางไว้ท่านไม่ได้วางที่อื่นวางในตัวของพวกเราอันนี้ท่านทรงบัญญัติธรรม ธาตุทั้งสีขันทังห้ายศนาทั้งหกในตัวของพอเก่าํันวางไรธาตุทั้ง4คืเธอดินน้าลมไฟไปชุมกันข้าวเราเป็นตัวตนตนเป็นตนเป็นธาตเป็นบุคคลเป็นเรอเของเขาเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยทานดินถาดน้ำถานดินเถื่อนใดแล้ว ท่นวางไว้ที่สาผมโลมาขนนาะขาเลสทันตาฟันตะโจหนังหนังสังเนื้อเอารูเนจเนกระดูกที่มชังเยื่ในกระดูกอันนี้อากังมา้ามัตยังหัวใจหน้กันกนงังปับพิโรมะ ก, กังพังผืดเป็อตรังไตว่าฝั่สังปอดอันตังใหญ่สคุณนังสาหาสาร่ยายใต้เปลียนเ่ากระดสังหันใหม่เพียงเหล่านี้ อันนี้เรารวมลาเป็นถาดดินเรา ม, มาถือเนื้อเป็นตัวเป็นตนเป็นชัดเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายไปพากันหลงอยู่เนี่แห่นั้นพระกวาริาในกันแน่แจกของแล้วมันไม่มีโตไม่มีตนมันมีชัด ม, มีบุคคล ม, มีเรา ม, มีเขาจวไม่หลงเนี่ยนนเนี่ยถาดดินเอนื้อจริงแบบนี้ อันเนี้ยถึงเรานี้ไม่ใช่ถึงของเอาเถึงของทึ้งทั้งหมดและเป็นของลังเกียดและแม่นมาหลักให้ชอบตายเลยยิ่งดีเหตุผลใดจะว่ากันแล้วสมมติว่าเป็นผมอย่างเนี้ยผมเราก็ตามผมคนหนึ่งก็ตามมันรุดล่วงเห็นผมหลายหลายเส้นยังไม่เข้าอยู่ในอาหารแล้วก็จะไม่รักทานเฉยเลย อผมขอด่อย่างนี้เมื่อเป็นเป็นนี้ลอมัน ก, ก็เป็นของหลังเกียดไม่ใช่ละแล้วก็พผงที่เจร น, นาด้วยท่านบอกตาตาเรียนโตมีนางห้ม อ, อยู่เป็นที่เชื่อโรโคนัโตโคนัตปการต า, าที่ชิหนอเต็มไปด้วยของไม่สาดมีประการต่าง ๆ, าง ๆ, ๆ, างๆที่ถึงกายเย่กายนี้กาย น, นี้คืออธิบายมาแล้วคือคือถาดดินคือสาผมเนี่ย นเต็มไปอย่างเนี้ยเอามาขนนักขาเล็ดทันตาพันตะเจ้าหนัง้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วไมในข้าวในอาหารเห็นฟันคนอย่างเนี้ยหนังคนอย่างเนี้ยจะขึ้นเม็ดด่านเลยเฮ็ดขึ้นได้ย่าง้นล่ะแม่เราว่าเป็น ข, ของดิบของดีง่ายมันเป็นของอย่างเนี้ยอันนี้ใส่น้อยใส่ใหญ่ละ อาหารข่าวอาหานใ ห, หมล่ละประเภทพิจารณาโดยแท้โอปนายกฐธรรมไถ่โนมเข้ามาพิจรารณาเพื่อไม่หลงเราหัดไว้เพื่อไม่หลงก่อนเร่องนี้เรามาถือเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นทรัพ เ, เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาจริงๆของเราจริงๆมาเลยเกิดโลภโทตะโมหะขอดงามจิตใจฉันดามของเรารัทานการยึดถือเนี่ย เมื่อเราแ่งพิจารณาเห็นเป็นอย่างนี้แล้วมันจึงเป็นละส ก, กายทิศ ค, ความที่ว่าเถ้าเป็น ต, ตัวตนมันวางไปแล้วพอเราวางเสนนี้ตัวของเรามันก็เบาฮ่ามันก็เบ า, ม, เบามันก็สบายมันไม่มีอะไรเนี่ฮ่าอันนี้แล้วถบดินมีถอนนบน้ำได้ เป็ดตังน้าดีเขือน้ำน้ำเจเลยอะบุโพน้ําเหลืองลอยตังน้าเลอะเสือตัวน้ําเหรอเมโทน้ํามันข้อหสู้น้าตาวะสา Nam เหลือเสือโล n ําลายสิงคาในการ n โมกและจิตา n ําไข่ข้อมุดตัง Nam โมกซึ่งอันนี้เป็นของอราหรของขึ้นเหตุนั้นเราต้องเพ่งพิจารณาเดชโอปนันโตให้น้อมเข้ามาเพ่งเล่นดูทำมันรู้ จนี่หละเราอาศายอยู่ในนี้นั่งอยู่นี้คนละก้อนละก้อนเนี่ยเฮออันนี้แหละเราถือนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นชัดเป็นบุคคลจริงๆนี่ปะคาวาเมื่อจะแนแกแกล่วละ่ะไหนข อ, อนดน้ำมูดเห็นแล้วคืออะไรฮะที่เจรนาดื่มน้ำือมน้ำเสตดื่น้ำเลือดดื่น้ำตาดื่น้มูก หรือน้ำรายแค่ะะไรละ่ะถึงคน เ, เราให้ไปนี้อยู่หน่อยนี่เราพิจารณาเห็นเป็นยังไงแล้วมันละเจ้าว่าทานการหยุดเถอนี่เพื่อเราให้พิจารณาเวลาภัยคุกคามเข้ามาเมื่อเกิดสมค า, า, า, ามเข้ามานี่เด็ที่เลสสมคามทกิเลสสมคามเคลื่อนใดล่ะ คือความเกิดความแต่ความเจ็บความตายเนี่ยแม้ในความเจ็บไข้จะไปญาติขมาลราเราจะทำอยู่เราจะไปลบยังไงล่ะนมืเมื่อจะตายลงไปเราจะตั้งคิตไปยังไงล่ะและเราจะอยู่ที่ไหนใครตายสายอะ ไ, ไ, อไรไอยู่ไอายบ้านนรือสายลูกหรือไอายหไไลานเลือกสายบิดารรมันดาติด ร, ร้านอังคาร ชาวบ้านนานตลอดประเทศานั้นก า, า, า, า, า, ายสายไม่ได้นะเห็นแมหลักคนจะตายสมาสายรลายสมัยทกอย่างเื่นนั้นเราจะมาฟังลราจะษษษพึ่ัตัดเพออบ ร, รมในสายใจคอของเราเพื่อจะแห่แจกนี่แล้วเราจะเบาบางจากราคะโลภโทสะโมหาวิชาปัญหาอุปทานภพชา พอเราพิจารณาแล้วเราจะไปโลภ อ, อะไรล่ะอะจะไปโกรธอะไรล่ะจะไปหลงอะไรล่ะนั้นเป็นจริงยังไงเนี่ยฐานตัวนเนี่ยถนสนนั้นเป็นจริงอยู่แล้วเขียนอธิบายมาแน่ถ้ามีแล้วทุกขันนั่งอยู่นี้ยก็มีเท่นี้มีอาการสามที่สองเขียนอธิบายมาแล้วเนี่ยถาดดินถาดนา้ามีถาดล้ม ดมหายใจขดลมหายใจออกครแฮ่ น, นี่หายใจเขา้าหายใจออกพัดไปตามกระพางร่างกายเราพัดขึน้นบงบนพัดลง ม, มันตำ่ำนี่อันนี้ขาดล้มอายุเ น, นื่อมัดลมแล้วอายุของเร า, าก็น้อยนักหนาคุณรู้ว่าลมหายใจหายใจเขา้าออแล้วหายใจออกนั่นแหละบอกตวัวสีว ร้อยปีเข้าใจคิดไม่ในชีวิตของเราเ น, นี่ยเช่นพิชเนาดูแค่นะอนนี้เมื่อมัดลมหายใจแล้วเขาจะคนตายเมืยังมีหายใจอยู่หมอก็รักษาอยู่เมื่อมดลมหายใจและเมด่อเขายกคนตายเมื่ออายุเมื่อชีวิตเพราะฉะนั้นอนย่างว่าอายุของเรามีพัดลมหายใจแต่ตนี้แต่ว่ามันมากหายใจออกไปแล้วไม่หายใจกลับเข้ามา ขเขาเรีว่าตายไปจอนนหน้าด้หาใจเข้าก็รักมาห้ยใจอใจอกมาก็าตายมีความตายของเราอยู่ตรงนี้อันี้จิตวิญญาณของเราล่ะเราจะไปตั้งเราที่ไหนล่ะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีทานมีชีวมีภาวนาคือทานการผลักการลักการวางเมื่อเราเห็นแล้ว อบริจาคงานหลักการวางเป็นนะละมาวันนี้เอาไม่ห่วงดูนั่นโดนนี่ไม่ห่วงการเล่นไม่ห่วงการรับการนอนไม่ห่วงว่ามันทุกขสบายเมื่อสะระบอดเข็นมาเ น, นี่เราสลักได้ผ่าผู้รดละไม่ได้สมาดังภูริละได้ ส, ดสมาดังทำได้อละได้ แ่นมัจิยะความดีนแนลแน่นห่วแข็นอะไรก็ยางเอาขละดาได้ี่เป็นอย่างนี้ยอยันนั้นเราก็ิะต้อสอนให้เข้าใจอันนี้รักษาสิ้นอันนี้จะ อ, ออกจากโทษออกจากทุกข์อ อ, ออกจากไปถ้รักษาสิ้นห้าขาสองแขนสองศีตาะหนึ่งเตสิ้นห้า แล้วจะไปทำโทษห้าอานานั่งก็โทษทินานั่งก็โทษตาเมก็โทษมูซานั่งก็โทษทิลานั่งก็โทษทำจนโทษเทมื่อเราทำห้าอย่างแล้วท่านว่าบอกไว้มีความสุขจะเรื่ทุกข์จริงเงินสี่มีความสุขไม่มีเพราะอื่นเพราะเรารักษาศีลรักษากายว า, จ า, จายใจใจอะไรเรียบร้อย แลมันจะทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจที่ว่ามาแล้ว เ, เราก็มีความสุขไปน้อยมีความสุขเพราะไม่มีภครไม่มีเวรนในตัวของเราเราปราศจากเราราักแล้วเราสบาแล้วโทษทางไรนั้นคือในโพก็สัมปทาอะเคยเป็นพระได้ขาดได้ในปัจจุบันในเบิร์น้าแล้วก็เป็นผู้มีโพคับสมบัติเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จน เป็นคนไม่อนไม่ยาเหตุผลดยังเป็นคนอ่าหนึ่งช่วงหน่วงเพราะสื่นความปกติกายปกติใจใจเรามีความเยือกความเย็นไปลงความเบาความสบายเพราะเรามีโทษน้อยใหญ่ทั้งหลายแล้วถึงกระนั้นก็ไม่ได้มากระทรกบกระทางใจขอยงเราเราทำบันไดก็ได้สดะดวกอ่มามันก็ลวย่เงี้ยอฮ้หาไหนจะสะดวกไปไหนจะสะดวก มันไม่คัดไม่ครอบไม่ยึดไม่ยากไม่วุ่นไม่ไวายอะไรสักอย่า ง, างเงี้ยแล้วไปทางแน่เราก็ได้ความสงบเนี้ยพระพุทธเจ้าไปใสารวายเนี่นยห น, นทางจะออกจะทุกข์อ่าทางแม่การภาวนากรรมาลเป้นหัวใจของเราเนี่เป็นทําไมละ่ะหัวใจใจมันมีมากอ่ามนุษย์เนี่ยมันมีมากหัวใจ แต่มนุษย์ตันเดียวล่วนะแสังขานร่างก า, ายมนุษย์ตันเดียวแต่หัวใจกันหัวใจก็ดูกเดียวแต่มันน้อมไปมากเป็นมนุษย์เศรษฐาโนะสังขานร่างก า, ายเป็นมนุษยนะ์แต่หัวใจเป็นเศรษฐาสมันเป็นยังไงล่ะคือมันไม่มีทามไม่มีชิ้นไม่มีตนนาไม่ได้จักความครบสมนมไม่กรามไม่ว่า เน้ตาโพนาอะไรรับอาหาแล้วก the ็นอนเหมือนกับสกรเหมือนกับชัดแลที่งาานั่นเปลีงานอนร่างกายเป็นมนุษย์อันนี้มนุษย์ทั้งหลายเปลี่ยนอนอันในเมื่อซาเปโต้ละร่างกายเป็นมวแตงโแตงเป็นติดอันนีจมูกโทโซยาค่ายาปันผ่อนจะนอมขาเข่าเอาฟ้าละ มันเป็นเกล้าแล้วก็เป็นเกล่าภายใ น, นมือใช้วิริล่ะเป็นนรกเพื่อเราทำบาปกรรมกรรมมากเข้าหัวใจเราหมึนหัวใจเราหนักเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์ ก, กุมมดกุมใจ น, น, ในั่นล่ะหัวใจเัาเป็นนรกพอเระดับคันแล้วเราก็ไปนรก หัวใจนั่นนี่ต้องสงสัยพอเราอยู่ตรเนี้มันกระทุกเนี่อันนี้มะโนซาเทวะเทเป็นเททธเทวิดาเป็นผู้มีวิอรรโอุตตปาหัวใจละอายบาปละอายกรรมโกบาปโกกรรมโกภัยโกเวีย น, น, นเป็นผู้มีใจมีฐานมีคิดมีภาวนาแล้ว เป็นหัวใจมีความสุขหัวใจมีความสบายเย็นอกเ ย, ย็นใจดับขันแ้าานนนนวก็ไปเป็นเทุาดาเทวดาหัวใจนั่นเป็นนั้นที่บไว้หันเมื่อเทวเป็นเทวดาเมื่อซาคมมาผู้ภาวนาเจริญพรหมฐานทรนสี่ใจสว่างมันว่างมัดเป็นอากาศว่างเปล่าไม่มีอะไร อ่ามาลายรทันไปแ ล, ล้วแล้วก็เป็นทอ ม, มีคมใหม่เนีมีคอหมาจันมีคองมีหานเป็นเครื่องหยกเป็นมีความเยือกความเย็นความเบาเวความสบายจิตมันวางเมื่อไงละ่ะมันมาเป็นทมเ น, นี่ยขอนี้มันบอกไว้อานเนมลิสร์าราโตเป็นพาลหานมนุษย์ เป็นผู้ปฏิบัติละกิเลสปัญหาลาคะโลภโทสะโมหะวิสาตันหาวทานพบถ่านมอดไม่มีพบไม่มีชาคนละมดอดไม่มีอะไรเนี่ยเป็นพ า, ารหานมนุษย์ ห, หามือสาพุทธโธเป็นพะพุทธิจ้าแท้ใจเป็นพุ้ปิจารอ เคยเป็นผู้รู้แจ้งแทงตรลอดมัดสิงหาละพัดเยียดทำทันหลายไม่มีที่กปกติไม่แจ้งแทงตลอดมัดเป็นหย่มภูโนตัดรูโรงโงไม่มีใครแนะนํำผ่ำสาร น, นี่มนุษย์จะเป็นไดน้นี่แลามนุษย์ของเราเป็นได้หลายอย่างแต่ในนี้เราทั้งหลายก็เป็นอยู่หลายอย่างคิดด้วยเราเกิดมาเป็นกิจที่แล้วนี้่แต่คนก็เป็นนักเรียน ต่อมาเราก็ทําการทํางานเข้าไปเป็นเจ้าเป็นนายเข้าหรือเป็นตำรวจหรือเป็นทาหนารหรืเป็นนหยนิทธิ์หรือนาจาหรือนายร้อยนายพันนคนขึ้นไปอ่าอย่นงนั้นมนุษย์คนเดียอคนคนเดอในหลายชื่ออาศัยความอบิรมและความหน่อมน้อมไปเวลาเป็นข้อปฏิบัติเหตนั้นเราจึงมาขวัตรมาวัดดู อาวตอนนี้ไปวัดตูที่อธิบายแล้วจังเรามีมากจริงหรือไม่จริงอ้าวตอนนี้นั่งเข่าที่ภาวนาฟังธรรมเทศเป็ยงั้นล่ะไมมีที่ชดเอางจิงมัน่งเข่าไอ้นังยบ่อยงนะเคยมนะเคนังเคยบ่อยปะนะเนะ อาวข้อท้าเนะนั่งอ๋อนเขาฟังนี่นั่งฟังเท้าอ่านั่งขาขวาทัขาซ้ายดเอออนไปเป็นวางมือเนี้ยอนีอานั่งับ